บทที่21ใสิเใจเน่าเวลาตีสองพระเจริญกำลังจำวัดหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันยังไม่ทันเอ็นกายนอนก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันจะว่าปวดท้องหนักก็ไม่ใช่เพราะท่านขับถ่ายเป็นเวลาและไม่ได้ฉันพล่ำเพื่อที่จะเป็นเหตุให้มีกากอาหารเหลือตกค้าง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 หากได้น้ำอุ่นๆฉันเข้าไปสักถ้วยอาจจะทำให้อาการปวดทุเราเบาบางลงจึงรินน้ำจากกติกใส่ถ้วยชาและยกขึ้นดื่มน้ำอึกแรกตกถึงท้องก็ถึงกับนอนดิ้นเพราะทั้งปวดทั้งแสบจนเผลอสติแต่ด้วยสมณสัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงฝืนใจลุกขึ้นนั่ง สำรวมจิตกำหนดปวดหนอแสบหนอไม่ยากเย็นรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่ากรรมตามมาให้ผลท่านอีกวาระหนึ่งภาพไอโต้งไก่ตะชุบที่ถูกท่านตอนด้วยการผ่าท้องควักไส้ออกปรากฏขึ้นในมโนนึกตามด้วยภาพไก่ยี่สิบตัวที่ท่านจับตอนจดพวกมันตายยกแล้ว ได้เห็นเจ้ากรรมนายเวรมาปรากฏเช่นนั้นก็มีกำลังใจที่จะชดใช้กรรมเอาเถอะเราขอชดใช้กรรมที่ทำไว้กับพวกเจ้าหากจะต้องปวดท้องจนขาดใจตายอยู่ตรงนี้ก็ยอมท่านพูดกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงค่อยๆเอ็นกายลงนอนรอพญามาจุ ร, ราชมาเอาชีวิตถึงเวลาบินทบาทเด็กชายสําริดรอยอยู่นานไม่เห็นหลวงนาลงมา จึงขึ้นไปดูภาพของภิกษุนอนตัวงอเป็นกุ้งมือกุมท้องหน้าตาซีดเซียวทำให้แกตกใจหลวงน้าเป็นอะไรไปครับทำไมหน้าซีดอย่างนี้ข้าปวดบทดท้องเลอเกินสำริดเอ้ยท่านบอกเด็กชายและหลวงน้าฉันยาหรือยังมียาทาดไหมไม่มียาอะไรจะรักษาได้หรอก เพราะมันเป็นโรคเวณโรคกรรมโรคอะไรนะครับโรคเวณโรคกรรมลหลวงนาเคยทำกรรมมามากเลยต้องเป็นอย่างนี้พูดเสียงแหบงั้นลหลวงนาก็ไปบินทบาทไม่ไหวนะสิครับอย่าว่าแต่บินทบาทเลยแค่ลุกนั่งขาก็ไม่ไหวแล้วเอ็งช่วยไปเรียกเดนตุยมาที่นี่หน่อย เด็กชายหายไปประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินตามเนนตุยขึ้นมาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลนะครับเนนตุยบอกอย่าเลยฉันขอนอนชดใช้กรรมอยู่อย่างนี้แหละพระเจริญปฏิเสธอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเรื่องชดใช้กรรมค่อยว่าทีหลังสมเณรไม่เห็นด้วย โรคอย่างเนี้ยไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้หรอกเพราะเป็นโรคเวรโรคกรรมมีทางเดียวคือชดใช้เสียให้หมดหมดไปอย่าขัดใจฉันเลยปล่อยฉันไว้ยอย่างนี้แหละที่เรียกเธอมานี่ก็เพื่อจะให้ไปบอกโยมโถว่าฉันไปฉันเพนที่บ้านเข้าไม่ได้เพราะอาพาธหนักเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ ผมจะไปบอกเดี๋ยวนี้สามรญเณรกราบลาสมพานแล้วจึงลงมาข้างล่างกำลังจะเดินไปบ้านนางโถก็พบนายหล่อเดินเข้ามาในกุฏิโยมมายังไงเนี่ยเอารถมาหรือว่ามาเรือล่ะถามอย่างยินดีเอารถมาครับจะมาชวนหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกนายหล่อบอกเนนตุ้ย พอดีเลยอัตมากำลังคิดว่าทำอย่างไรจะพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลได้โย ม, มาถูกจังหวะพอดีหลงพี่เป็นอะไรเหรอครับนายหล่อออกตกใจท่านปวดท้องนอนตัวงอเป็นกุ้งเลยโยช่วยพาท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะท่านจะไม่ยอมไปบอกว่าต้องชดใช้กรรมเน้นตุ้ยรายงาน งั้นก็ขึ้นไปดูท่านกันเดี๋ยวนี้แหละโยมขึ้นไปก่อนแล้วกันอัตมา จ, จะไปทุระบ้านโยมโถเดี๋ยวมาพูดจบจึงเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นายหล่อเดินขึ้นบันไดามาเห็นหลวงพี่ในสภาพเช่นนั้นก็ตกใจนักรีบบอกท่านว่าหลวงพี่ผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปสิริราชดีกว่า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 แค่ปวดท้องไม่ถึงกับมรณะภาพรักนาเขาคิดอย่าพาข้าไปเลยเสียเวลาทามาหากินของเองเปล่าๆนี่นึกยังไงถึงได้มาแต่เช้าอย่างนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่านึกยังไงแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วคำตอบอะไรของเองล่ะภิกษุอาพาธถามคือผมแน่ใจว่า เพราะบุญหลวงพี่นั่นแหละที่ดนจิตดนใจให้ผมมาผมตื่นนอนตีสี่ก็นึกถึงแต่หลวงพี่เลยคิดว่าจะมารับหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกพอแจ้งก็ขับรถมานี่แหละคนเป็นครือขัดเล่าเขาเชื่ออย่างแน่นแฟน้นว่าพระเจริญเป็นผู้มีบุญบารมีบอกนางโถแล้วเน้นตุ้ยก็รีบกลับมาที่กุฏิ พบเด็กชายสัมฤทธิ์นั่งกอดข่าวเจ้าจุกอยู่ตรงหัวบันไดจึงถามว่าหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างก็ยังนอนขดอยู่อย่างนั้นน้าเขาจะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปหลวงพี่ช่วยพูดให้ท่านยอมไปหาหมอหน่อยเถอเอ้งก็รู้จักหลวงพ่อดีไม่ใช่หรือท่านเป็นตัวของตัวเองออกอย่างนั้นใครจะพูดได้แต่เอาเถอ ข้าจะลองขึ้นไปพูดอีกทีว่าแล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปนายหล่อเห็นเนนตุ้ยมาจึงสั่งให้เตรียมตัวเพื่อจะพาพระเจริญไปโรงพยาบาลตกลงท่านยอมไปหรือโยมคนเป็นเนนถามไม่ยอมหรอกครับแต่ผมถือวิสาสะพาท่านไปเดี๋ยวเราช่วยกันอุ้มท่านใส่รถผมนะครับ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 เนนนั่งเฝ้าท่านอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตกลงอาตมาจะคอยดูแลท่านอย่างดีที่สุดจัดรถเสร็จสามเณรกับครือหัดก็ช่วยกันอุ้มภิกษุอาพาธไปขึ้นรถพระเจริญปวดท้องจนสลบไปนับเป็นการดี ที่ท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกขเวทนาแสนสาหัสท่านสลบไปสองชั่วโมงเต็มๆครั้นรู้สึกตัวจึงรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในรถหลวงพ่อหายปวดท้องหรือยังครับเนรตุ้ยถามไม่หายปวดเหลือเกินปวดอย่างที่สุดท่านตอบด้วยเสียงที่แหบพลาจะพาฉันไปไหนภิกษุอ า, าพาธถาม ไปโรงพยาบาลสิริราชครับฉันบอกแล้วไงว่าไม่ไปไม่ไปทำไมต้องขัดคำสั่งท่านต่อว่าผมไม่ได้ขัดคำสั่งนะครับยอมหล่อเขาเป็นคนจัดการผมเพียงแต่ให้ความร่วมมือเท่านั้นเน้นตุ้ยหาทางออกโอ้ยปวดปวดอีกแล้วมันปวดตลอดเวลาเลยหลวงพ่อ ทำไมไม่กําหนดปวดหนอปวดนอล่ะครับผมเห็นหลวงพ่อออกเก่งเวลาสอนผมหรือสอนญาติโยมหลวงพ่อเก่งออกสามเณรพูดจากประสบการณ์นั่นสิฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสอนกับการปฏิบัตินั้นนะ่ะมันต่างกัน ล, ลิบลับอย่างว่าแหละผมเข้าตาคนอื่นเราช่วยเอาออกให้เขาได้ แต่ผมเข้าตาตัวเองมันมืดแปดด้านเลยปวดปวดเลือเกินหลวงพ่อฉันน้ำอุ่นสักถ้วยไหมครับเพื่อจะดีขึ้นผมเอากระติกน้ำมาด้วยเน้นตุ้ยแนะนำพอทีพอทีไม่ชงไม่ฉันแล้วเธอรู้ไหมพอน้ำตกถึงท้องฉันนอนดิ้นมันทั้งปวดทั้งแสบบอกไม่ถูกเชียวละ หลวงพ่อหิวไหมครับสามเณรเปลี่ยนเรื่องถามขณะนั้นเป็นเวลาเกือบก้านาฬิกาตัวท่านรู้สึกหิวฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกนอกจากปวดปวดจนสุดจะพารนาเลยละเธอโรคเวรโรค ก, กรรมมันสาหัสกันจริงๆถ้าฉันรู้ว่าจะมาชดใช้แบบนี้ฉันจะไม่สร้างกรรมทำเข็นกับใครเลย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ท่านรำพันหลวงพ่อสร้างกรรมอะไรไว้เหระครับจึงต้องมาปวดท้องอย่างเนี้ยเนีนตุ้ยอยากรู้ก็ตอนไก่น่ะสิเมื่อครั้งเป็นนักเรียนชั้นซนมากแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นไปหมดผู้ใหญ่ก็ทำอะไรฉันก็คอยดูแล้วก็เอามาทำบ้างเห็นเขาตอนไก่ วักไสมันออกมาฉันก็ทำไก่ตายไป21สอ็ดตัวเพราะฝีมือการตอนของฉันตายยกเล้าเลยถ้าเล่าเรื่องแต่หลหลังให้สมามเณรฟังการได้พูดคุยทำให้ลืมทุกขเวทนาได้ชั่วขณะไม่มีรอดสักตัวเลยเหรอครับไม่มีตายเกลี้ยงเลยน้ำเสียงแฝงด้วยความภาคภูมิใจถึงอย่างไร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 ความลับอะไรของเธอล่ะไม่ใช่ของผมครับของหลวงพ่อต่างหากเน้นตุ้ยตั้งใจยัว่วหวังให้ท่านลืมความเจ็บปวดความลับอะไรฉันน่ารือมีความลับมีสิครับก็หลวงพ่อเพิ่งพูดไปยกหยกพูดว่ายังไงนี่เธอตอบมาเร็วๆได้ไหมฉันอยากรู้เห็นคนเป็นพระอยากรู้ คนเป็นเนนจึงเฉลยว่าความลับของหลวงพ่อก็คือที่หลวงพ่อมาบวชเพราะตกงานถ้ายึดอาชีพรับจ้างตอนไก่หลวงพ่อก็คงไม่มาบวชใช่ไหมครับโถ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรแต่ขอโทษเธอเธอเข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวที่ฉันต้องมาเป็นพระไม่ใช่เพราะตกงานไม่ใช่แน่นอนท่านยำ้ำ ถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับครานี้คนอยากรู้กลับเป็นเนนงั้นก็ฟังให้ดีนะเปิดหูให้กว้างๆจะได้ฟังถนัดถนัดครับผมเปิดหูกว้างตลอดเวลาหลวงพ่อบอกมาได้เลยพระเจริญจึงพูดเสียงดังฟังชัดว่าที่ฉันต้องมาเป็นพระเพราะเกลียดพระโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตาม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 เดี๋ยวพาท่านไปห้องเอ็กซเรย์นะเสร็จแล้วนำฟิล์มมาให้ผมด้วยแพทย์สั่งแล้วก็เดินออกจากห้องไปแม้จะอยู่ในภาวะคับขันและทุกทรมานแต่เจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงก็ยังห่วงหาอาธรในทุกสุขของผู้อื่นรู้ว่าในหลอกับเนนตุ้ยต้องหิวเพราะว่าเลยเวลาอาหารเช้าไปนานแล้วจึงบอกเขาว่าหลอ เองไปหาอะไรกินเสก่อนพาเนนไปท่านคงหิวแล้วไม่เป็นไรครับผมจะอยู่เฝ้าหลวงพ่อเนนตุ้ยพุ่นอย่างเกรงใจไปเถอะไม่ต้องเฝ้านะลอกเดี๋ยวหมอก็คงจะมาดูเมื่อท่านพูดอย่างนี้สามเณรวัย1ิจึงต้องไปกับนายหลอ่อว่าที่จริงแล้วท่านก็หิวด้วยมือสุดท้าย ฉันเมื่อ11บอนาฬิกาของวันวานถึงวันนี้ก็เกือบ24ชั่วโมงแล้วเมื่อในหลอกับเนนตุ้ยกลับมาที่ห้องไม่พบพระเจริญจึงถามนางพยาบาลที่หน้าห้องก็ได้ความว่าบุรุษพยาบาลไปห้องเอกซเรย์จึงพากันนั่งรอยอยู่ในห้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปบุรุษพยาบาลก็เข็นท่านกลับมาที่ห้องหลวงพี่เป็นอย่างไรบ้างครับ หายปวดท้องหรือยังนายหลอถามด้วยความเป็นห่วงไม่หายหรอกแต่ข้าพยายามที่จะทำใจให้ชินกับมันจะได้ไม่รู้สึกทรมานภิษสุอาพาดตอบการกำหนดปวดหนอปวดหนอไม่ทำให้ความปวดลดลงเลยเหรือครับหลวงพ่อเนนตุ้ยถามมันก็คงลดลงหากปฏิบัติเข้าขั้น ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มเวทนาได้นี่ถ้าไม่ตายก็ต้องปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ถ้าจะต้องตายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมท่านพูดปลงๆพูดเรื่องตายอีกแล้วหลวงพี่ครับผมขอบิณฑบาตเถอะอย่าได้พูดเรื่องตายเลย ฟังแล้วใจคอหดหูหอยเหี่ยวในหล่อทักท้วงนั่นแสดงว่าเองไม่ยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาโปรงเสถะหล่อเอ้ยท่านสอนในหลอ่อหลวงพ่อเหนื่อยไหมครับผมนิมนต์จำวัดสักครู่ได้ไหมครับจะได้มีแรงมาสู้กับความปวดเน้นตุ้ยแนะนำก็ดีเหมือนกันการหลับ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 แต่ภิกษุอาพาธได้ยินชัดเจนเพราะท่านมีคุณสมบัติที่ผิดแปลกไปจากคนปกติธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดดังท่านจะไม่ได้ยินเพราะเสียงดังเลยหูไปแต่ถ้าพูดค่อยหรือกระเซ็บกระซาบท่านกลับได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำ